เลี้ยงหมากับเลี้ยงแมวเนี่ยเสังเกตความแตกต่างนหะมหมากนะับแมวมันแตกต่างกันยังไงไม่ได้มาดูรูปร่างหน้าตานะจะหมายถึงนิสัยใจคอโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรานะมีคนนึงเขาพูดสรุปเอาไว้อสั้นดีนะชัดเจนมากจริลยนิสัยของแมวกับหมาก็บอกว่าเวลาเราให้อาหารหมาเนี่ยนะ นี่มันจะนึกว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราให้อาหารแมวนะแมวมันจะนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเข้าใจนะแตกต่างอย่างนี้คือเวลาเราให้อาหารหมาเนี่ยหมามันจะขอบคุณซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกพักดีกับเราไม่ว่าจะหมาที่ถูกร้ายนะ่ะหรือว่าหมาจรจันเนี่ยที่หวาดระแวงคนเนี่ยนะที่ ท, ท, ที่ผู้หลงเนี่ยมีหมาที่เดินในตัวนี่มันมันระแวงคนมากแบบต่นมาที่คนสิงห์มันก็มาหลงแดดมันตมองมองไม่ถือว่ากลัวแต่พอเราโยนอาหาเนี่ยมันสัครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มสึ่อไว้วางใจเราแล้วก็ให้เนรียญบ่อนี่มันก็จะอะสนิทสนมคุ้นเคยกับเราเป็นความสนิทสนมสมเด็จว่าเราเป็นเจ้าน า, ายมัน คือมันเริ่มมีภพพักดีแลภาพพักดีนี่ก็ภาพพักดีว้างๆนะก็มันกัว่าเราเป็นพระเจ้าเลยนะส่วนแนวเนี้ยนะมันจะมีทัศนคติแบบที่มันเป็นตัวขอตัวเองสูงมากเราให้อาหารมันมันก็ดีใจนะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกพักดีอะไรกับเราถึงเวลาเราจะเลี้ยงมันมันถ้ามันไม่ว่ามันก็ไม่สนใจมันก็เลี้ยงคนกห้มันไปแต่ว่า มันมาหาเราเนี่ยยากมีแต่ว่าเราต้องไปหามันเองแต่หมานี่ไม่ใช่นะหมานี่เราไม่ต้องไปหามันเราเลี้ยงมันเองมันก็มาหาเราอันนี้ก็เปลนเหตุที่ว่าเนี่ยหมานี่มันเห็นเราเป็นเจะเจ้าแต่แล้วนี่มันไม่ว่าเรามันไม่ว่ามันเป็นพระเจ้าแล้วก็เราก็หน้าทีท่ก็ต้องมาหามันต้องมาดูแลอันนี้เป็นความแตกต่างอาจจะเป็นเพราะว่า หมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นปู้นั่นสัตว์ที่อยู่เป็นปู้เนี่ยมันจะมีจาาฝู่และสังฆ์สติญานะเนี่ยมันจะเชื่อฟังจากฝู่นและพอมันมาอยู่กับคนนะหรือว่าคนมาเลี้ยงมันเนี่ยมันก็จะคิดว่าคนเป็นจาาฝู่นก็จะเชื่อก็จะมีความผูกพันเป็นความผูกพันทางจิตใจเนี่ยก็เคยทนลองนะเอาหมาเนี่ยมา อยู่ในห้องกับเจ้าของนะบอกคุณนเคยกับห้องนั้นทุกคังเนี่ยก็จะมีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องหมาเมืเ่อ็จะจนเอิงเงืออยู่ตั้งหมายแล้วมันก็ก็ไม่สนใจเพราะว่ามันมีเจ้านายอยู่ใกล้ใกลแต่ว่าบอเลอนะพอหมาเลสนะเจ้านายเนี่ยได้แบบออกไปจากห้องนั้นเหลือแต่หมากับคนแปลกหน้ามันจะตบใจเลยนะ มันจะเริ่มมองไปที่ประตูแล้วก็ถ้าประตูปิดก็จะพยายามตักายประตูเพื่อที่ออกไปเวลาเอาเด็กนะเด็กทารกเนี่ยมากับแม่เนี่ยเข้ามาในห้องกับแม่นี่พฤติกรรมเด็กทารกก็คล้ายๆหมาเลยนะก็คือว่าเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยเด็กทารกก็จะไม่กลัวอะไรนะเพราะว่ามีแม่อยู่แต่พอเด็กเผลอนะเด็กกาลังเล่นในสัย่าณแล้วก็แม่เดินออกจากห้องไปโดยที่เด็กไม่รู้ตัวเนี่ย มาเด็กเด็วมารู้ตัวจิงว่าเพราะว่าแม่หายไปเลือแตกคนแตกนั้นเด็กก็จะเริ่มกลัวแล้วก็จะคาไปที่ประตูนั้นจะออกไปที่ประตูออกจากประตูนั้นแต่กับแมวเนี่ยไม่มีอาการแบบนี้เลยนะแมวนี่จะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยคนแตกหน้าจะมามันก็ไม่สนใจนะมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ไหนมองไปที่ประตูอันนี้เป็นความคล้ายคลึกันระหว่างคน คนออกมาก็คือว่ามีความผูกพันมีความผูกพันหมาผูกพันเจ้าของส่วนคน้นก็ผูกพันกับแน่อาจจะแปลว่าคนกับมานี่ก็เป็นพวกที่เคยอยู่มาเป็นฝูงกันนะสมัยที่มันนีเรายังหนุนปางเราก็อยู่เป็นฝูงตอนนั้นเนี่ยมันมีความผูกพันกับส่วนหน้าหรือว่าพอแม่แต่ว่า แหวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่หาชิมคนเดียวไปหาชิมก็ไม่ได้แต่หาชิมกับฝูงก็ท่านมัน ม, มีความเโดดเดีตั ว, วเองมาใครที่เน้นแมวเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นเสมือนบ่าวเป็นเสมือนคนรักใจของแหวนะเวลามันเห็นเนะี่งมันก็จะร้องนะร้องเป็นสัญญาว่าเราต้องให้อาหารมันแล้วนั่นก็ดีใจพอได้อาหารกินเสร็จก็ไป หรือไม่ก็ไปทำไรงมันไปแต่ว่าไปการเลี้ยงแมวนี่ก็ดีนะมันเป็นการฝึกอัตตาเราเหมือนกันฝึกลดละอัตตาเพราะว่าเวลาเราเลีเ้ยงหมานี่เราจะรู้สึกว่าโอ้หมานี่มีเชื่อฟั ง, งเราเรานี่เป็นเจ้านายเราเป็นพระเจ้ามันทำให้อัตตาของเราคูใจเราคูที่รู้ว่าเรานี่เก่งเนียนหน้า แต่ความรู้สึกแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเวลาเราเลี้ยงแมวเพราะว่าแมวเป็นตัวของตัวเองมันช่วยลดศัตธาได้ดีเพราะว่ามันกลับทําให้เราคิดวเออเราต้องรับใช้มันไมา้มันปรับตัวตามเจ้าของนะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแมวนะเราต้องปรับตัวตามนิสัยของแมก็เป็นการฝึกนิสัยเราได้เหมือนกันนะฝึกให้เราไม่เอาใจตัวต้องกลับปรับตัวเข้ากับสิ่งอรอบข้อมือเข้ากับคนอื่น อันนี้ก็เป็นการลดละอัตตาได้ดีเหงือนันหือว่าเลี้ยงมันเลี้ยงมันแล้วเนี่ยเลี้ยงแม่แล้วแม่ก็ไม่ได้พักดีอะไรกับเราเลยไม่ได้ปนอผอัตตาของเราหลายคนเลี้ยงสาตว์แล้วมีความสุขก่อสัตว์นี้มันปนออัตตาของเราทำให้เราถือว่าเราเป็นคนสําคัญแต่ว่าแม้เนี่มันไม่ปนอัตตาเราเลยนะเพราะว่ามันเชื่อมันเป็นเจ้าแล้วต่างหากที่ต้องรับใช้มัน แม่งคนที่เลี้ยงแมวนี่มักจะเป็นผู้หญิงนะอาจมาสังเกตอยู่ผู้ชายไม่ก็เลี้ยงแมวซะเลยผู้ชายเจ้าเลี้หมาเพราะว่าหมานี่มันมันถออัตาเจ้าของนะผู้ชายก็รู้สึกว่าฉัเก่งฉันแน่นะมีหมามาเสริมบารมีแต่ว่าถ้ามาเลี้ยงแมวนี่จะไม่รู้สึกว่ารู้สึกแบบนี้ี่แหลผู้หญิงที่ชอบเลี้ยงแมวย้อนเดือนนี้ก็มีคนเลี้ยงแมวเยอะมากมีเฟสมีเพจตามเฟสบุ๊กเนี่ยเพจมีคน ติดตามนี้เป็นแสนอาจจะเป็นล้านเห็นที่ชื่อว่าผู้เหนวของบ่าวผู้เหนวของบ่าวแม่เนี่ยแม่เนี่คือดูดหัวนะบาวเนี่ยคือเจ้าของแล้วเขาก็ยอมเป็นบาวนะผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ได้งานผู้ช้านก็ยอมคือต้องเป็นเจ้านายแต่ผู้หญิ่ง ย, ยอมเป็นบาวนะ <c oughs> เขาก็เลี้ยงได้อยู่ใามสุขท <c oughs> ี่จรินเนี่ยการเลี้ยงแม่มันก็ดีอย่างนะที่สังเกต น, นะคือว่า เวลาเราเลี้ยงมันเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกตามนึกบุญคุณของเราเลยนันก็เป็นตัวของมันเองมองอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนั่นเวลาเราทำความดีกับใครนะลองคิดแบบนี้นะว่าลองที่มันก็ว่าคนที่เราช่วยเขาเนี่ยก็เหมือนแนวนะก็คือว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกสานึกบุญคุณอะไรว่าเราลองที่แบบนี้ดูนะว่าเราช่วยเขาก็อย่าไปคิดว่าเขาจะมาตอบแทนบุญคุณของเราอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำดีกับเรา หลายคนไม่มีความทุกข์นะเวลาช่วยใครแล้วเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะต้องสำนึกในบุญคุณของเราก็จะ mm hmm. ต้องอดีกับเราพอเขาไม่ไม่ดีกับเราหรือพอเขาพอเขาไม่ได้สำนึกในบุญคุณของเราหรืออาจจะสำนึกแต่ว่าไม่ไม่มากอย่ที่เราต้องการเราก็มีความทุกข์รู้สึกทุกข์ว่าทำไมนะก็ไม่ตอบแทนบุญคุณของเราเลยให้เงินให้เงินเข้าไปหรือว่าเอาก็ยื้เงิน แล้วก็ไม่สนใจที่จะมาอะตอบแทบนบุญคุณของเราไม่ได้ดีกับเราก็เลยเกิดความบาดหมางเกิดความอคัดแข็งใ จ, จกลายเป็ว่าทําความดีแล้วเนี่ยหรือช่วยเขาแล้วเนี่ยเกิดความทุกข์ใจในภายหลังอันนี้พอ่อไปคาดหวังให้เขาทําดีกับเราให้เขาพักดีกับเราแต่ถ้าเราลองดูว่าเออเขาก็เหมือนกับแมวนะเขา กินอาหารเราให้อาหารเขาแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้มีความสุภาพเรียอะไรกับเราถ้าเราลองช่วยคนเนี่ยเหมือนกับเราเลี้ยงแมวนะอืไม่ได้คาดหวังความสัภดพเรีกับเขาเขาได้รับความที่เดี๋ยวเ้าหมดทุกข์เขาหายหิวเขาก็ไปให้าเราการเลี้ยงแมวนี่มันก็สามารถจัดสอนเราได้เหมือนกันนะสอนให้เราเนี่ยทําทําดีกับผู้อื่น ด้วยการวางใจเหมือนกับว่าเราเลี้ยงแมวเหมือนกับว่าเราให้อาหารแมวคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยธรรมชาติาหวังความข้างดีกับแมวจะสุดมากหนึ่งหรือว่าจะให้แมวนี่สัมพันธ์รูปคุณของเราเนี่จะผิดหวังได้ง่ายก็ต้องวางใจต้องปรับใจเออมันกินอาหารของเราเนะียมันจะอยู่ยังไงก็เป็นเรื่องของมันไปเราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้เรียกร้องมันอันนี้แหละนะที่มันจะปลืใจเราได้ถ้าเราช่วยใครเนี่ย ถ้าเรารู้สึกมันเราเลี้ยงหมานี่นะมันจะติดวังได้ง่ายเนะพราะเวลาเราเลี้ยงหมาเนี่หมามันจะพักดีกับเรามันจะซื่อสัตย์กับเราบางทีมันยอมตายแทนเราได้แล้วคนเราก็ไปคาดหวังกับคนที่ว่าเนี่ยถ้าฉัานช่วยเขานี่เขาก็ต้องปฏิบัติกับฉันนะคือพักดีกับฉันนะสำนึกในมูลคุณของทฉันพอเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างที่เราต้องการนี่ก็เกิดความเจ็บแค้นเกิดความเสลียดชัง อันนี้ใครทุกข์นะเราเงนะื่อทุกข์ที่ทุกข์นะวันนั้นเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราลองนึกเจอว่าเนี่ยเวลาช่วยใครนะก็เหมือนว่าเรากำลังช่วยแมวแล้วกันนะไม่ต้องคาดหวังความทักดีความอการตอบแทนจากเขาเพราะว่าการทําความดีเนี่ยมันก็ดีในตัวของมันเองเพรจะสําร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา นถ้าเราทำเนี่ยทาการทำความดีเนี่ยมันจะทำให้เราสบายใจผู้อยญ่งนีน่ก็คือว่าทำดีแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าทำดีให้ใครใครทำดีกับเราเนี่ยเราต้องจาให้แม่นแต่ถ้าเราทำดีกับใครเนี่ยลืมไปเลยให้เงินยืมเข้าไปนะก็ลืมไปเลยนะเพราะว่าถ้าไปตามทวงแล้วเดี๋ยวก็จะติดใจกันะเวลาให้เงินยืมใครก็คิดเสมือนว่าให้เข้าไป ลืมไปเลยนะว่าให้ใครไปทํำดีกับใครจะได้ไม่ต้องไปคอยทวงคุนสุดจากเขาที่ทําความดีต้องทําให้เป็นนเมันถ้าเราทําความดีทําให้เป็นหรือช่วยเหลือใครช่วยแต่ไม่เป็นเนี่ยวางใจไม่ถูกเราก็จะทุกข์ความดีต้องทําให้เป็นด้วยเริ่มแต่การวางใจให้ถูกรวมทั้งว่าไอ้สิ่งที่ช่วยเขาเนี่ยนะมันตรงกับความต้องการของเขา ถ้าไม่ตร ง, งความต้องการของเขาก็มีปัญหาได้เหมือนกันเมื่อคนไปถวายพระ ถ, ถวายของพระก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระต้องการปาดชนาดีลับพระแต่ว่าถวายสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเป็นถวายเหล่าถวายบุหรี่ถวายนมุนโกโป้ไงมันมันไม่เหมาะปาดถนาดีนะแต่ว่ามันให้ของที่ไม่ถูกไม่สมควรก็เป็นโทษไนงะันั้นดังความดีนี่ก็ต้องออรู้จักรู้จักทำด้วยต้ใช้ปัญญา แล้วก็ต้องนู้จักปล่อยวางปล่อยวางแม่ก็ทั้งถวายของพระนะถวายอาหารพระก็จะไป็นที่วันเนี่ยเป็นอาหารของฉันทําไมหลวงพ่อไม่ทันอาหารของฉันถวายทีวรก็เป็นทุกวันทำไมหลวงพ่อไม่ผมที่วันของฉันอันนี้เรียกว่ายังไม่ปล่อยวางจะมีความที่ว่าเป็นเราเป็ของเราอยู่เปมีความที่ว่าเป็นอาหารของฉันเป็นทีวัของฉันถวายไปแล้วก็ไม่ใช่ของฉันแล้วเป็นของหลวงพ่อเป็นหลงตาไปแล้ว ท่านจะใช้อย่างไรกเปเรื่องงท่านอันนี้เราว่านอกจากถวายของที่เหมาะที่ควรแล้วนะก็ต้องวังจะให้สื่อกนะ็คือปล่ อ, อยวางากับคนอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่สัดขาดเท่านั้นนะอย่างที่บอกนะช่วยใครไปก็ปล่อยวางไปลืมไปเลยนะวราเคยช่วยเขามันจะได้ไม่ต้องไปคิดพรมยุ่งคุนตัดเขาให้ติดใจกับ ป, ปากอารักเสียงรับผอ